ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านทุกฟังทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงมณิโจราชาดุกมีข้อความในเบื้องต้นว่าพระพุทธเจ้าเสด็จประทรับอยู่ที่พระเชตะวันพวกภิกษุได้ปรารพถึงการกระทาของพระเทวทัตที่ประพฤติติดต่อพระพุทธเจ้าครั้งแล้วครั้งล่า ในที่สุดตัวท่านเองก็ประสบความพิบัติไปก็ถูกตรรนีสุบพระผู้มีพระภาคได้เสด็จมาในที่ประชุมสอบถามทราบความแล้วก็รับสั่งว่าพระเทวทัต น, นั้นได้เบียดเบียนจองล่างจองผานพระองค์มาแล้วประสบความพิบัติด้วยตัวเองไม่ใช่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นแล้วก็ทำมาหลายชาติแล้ว และในที่สุดก็ทรงยกเอาชาติหนึ่งขึ้นมาแสดงว่าในอดีตการนานมาแล้วเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยพระราชาสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดในสืกุลของพรามได้ศึกษาแลาเรียนตามสมควรแก่ฐานะของตนต่อมาเมื่อเจริญวัยขึ้นมา มัรดาบิดาก็ตกแต่งให้มีปัญญาปัญญาเป็นผู้หญิงที่ดีงามมากเป็นผู้มีศีลมีกัญญาธรรมรูปร่างสวยงาม แ, แต่งงานกันแล้วก็เป็นปัญญาที่ดีของสามีที่ว่านางสุชาดาต่อมานางสุชาดาได้บอกแก่สามีว่าจะไปเยี่ยมสกุลของมารดาบิดานาง พระโพธิสัตว์ก็ยินดีนําพัญญาไปสองคนสามีพัญญาก็ขึ้นเกวียนพัญญาก็นั่งในเกวียนสามีก็นั่งขับเกวียนไปก็ไปถึงเมืองหนึ่งประชาชในเมืองนั้นเป็นประชาที่เรียกว่าโท ร, รราชไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรมรมเบียดเบียนรังแกราษฎรสร้างความเดือดร้อนอยู่สม่ามเสมอ นเป็นปที่หวาดกลัวของบุคคลทั้งหลายพอดีในวันนั้นพระราชาเสดเรียบพระนครกองเกวียนเหล่านั้นเกวียนเรี่มนั้นก็ผ่านไปแล้วก็หยุดกนางสุจาดาก็คงปรารถนาที่จะมาดูขบวนขบวนเกวียนท่านยังลงจากด้านหลังของเกวียนและเพื่อมาขึ้นเพื่อ น, นั่งเคียงคู่กับสามี ที่ตอนที่ลงมาแล้วก็อ้อมเกวียนเองประชาก็ทอดพระเนตเห็นข้าวก็เกิดใจปฏิพัตพอใจอยากจะได้มาเป็นสนมของตนก็ส่งคนไปให้สอบถามดูว่าผู้หญิงคนนี้มีสามีได้ยังมีสามีได้ยังเราก็ไปสืบถามก็ได้ความว่าผู้ชายที่ขับเกวียนนั่นแหละเป็นสามีท่านก็กวางแผนก็นาทีเดียว เจะต้องหาทางอะไรสักอย่างห น, น่าผู้ชายที่เป็นสามีแล้วก็เอาปัญญามาเจียแต่ทีนี้จะทำตรงๆก็รู้สึกประเจิดประเจอิอเกินไปก็ต่อหน้าธารกรรมนันแล้กก็เป็นขณะที่เรียบพระนคร อ, อยู่ด้วยจึงได้เรียกในคนคุ้นเคยคนหนึ่งมาแล้วก็ดึงปินแก้วมันีที่ปักผม สั่ ง, ส, งส่งให้แล้วก็ที่บอกว่าเธออาหาทางเอาไปใส่ที่เกวียนคนนี้ตรงใดตรงหนึง่งแล้วเมือ่อคนนี้ไ ป, ไปแอบไปยืนแอบข้างเกวียนแล้วก็เสือกปิ่นแก้วมณีก็ไปแล้วก็กลับมารายงานพระราชาพระาาพระราชาก็ทําระยโวยวายว่าปิ่นแก้วมณีของพระองค์ได้หายไปขอให้ทุกคนช่วยกันสืบหาามันตกหล่นไปที่ไหน หากันไปหากันมาคนในที่สุดก็ไปเจอในเกวียนของพระโพธิสัตว์เพราะว่ามีคนออกมาใส่ไปคนเหล่านั้นก็ตรงเข้าจับบอกว่าเป็นโจรไปกราบทูลพระราชาก่อนจะกราบทูลก็โดนทุบตีซะแยะเมื่อไปถึงกราบทูลพระราชาก็เป็นไปตามแผนแล้วก็สั่งให้ประหารเลยไม่ต้องไปสอบถามอะไร ใจร้อนก็อยากจะได้เมีเพื่อนเลยราาพระเจไอ้พระโพธิสัตว์เองก็ถูกทุบตีมากไหมจะปฏิเสธอย่างไรเขาก็ไม่เชื่อท่านก็นเลยไม่ปฏิเสธได้เลยก็เฉยๆนางรุชาดาท่านก็เดือดร้อนใจว่าทาไมโลกมันจึงอยุติธรรมหรือเกินคนที่ไม่ได้ทําชั่วทําผิดอย่างเนี้ยังมาถูดลงลงโทษทุบตีรังกรแกแเราจะถึงจะนําไปประหาร นางก็นั่งลงประกาศเป็นลักษณะเพ้อนะรัหรือว่าประชดประชันท่านบอกว่าธรรมะนั้นได้หายไปแล้วจากโลกหรือที่ปล่อยให้ผู้ประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมถูกเบียดเบียนข่มเหงอย่างนี้สมณพราหมณ์ผู้มีศรรมีลมีธรรมนั้นได้หายไปจากโลกหมดแล้วหรื อ, อยังไงจึงไม่ได้ปกป้องคุ้มครองคนที่ประพฤติ ธ, ธรรมเทวดารักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จึงมีหน้าที่ในการอภิบาลคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมทำไมจึงปล่อยให้ผู้ประพฤติธรรมถูกย่ำยีเช่นนี้หรือว่าท่านเหล่านี้ได้หายไปหมดแล้วจากโลกตอนนี้พระอินทร์ก็ร้อนหนาด้ดวยอํานาจศีลาที่คุณคือคุณคือศีลเป็นต้นของนางสุชาดาก็พิจารณาเห็นว่าอะไรเป็นอะไรในที่สุดก็เสด็จลงมาแล้วก็บรรดาลให้ให้สับเปลี่ยนกันคือเอาพระราชาลงจากคอช้าง แล้วพระโพธิสัตว์ขึ้นไปนั่งบนช้างแทนรูปร่างหน้าตาก็เปลี่ยนได้ด้วยอันนี้ก็ถึงคราวที่เพชจะฆาาจะเพชจะฆาจะจะตัดหัวก็ตัดพอหัวขาดก็รู้ว่าเป็นพระราชาพะหันไปดูเปรปรากฏาพระโพธิสัตว์ทรงเครื่องเป็นพระราชานั่งอยู่บนคอช้างนะเสร็จ แ, แล้วพระองค์ก็แสดงประกายให้ปรากฏ บอกว่ารับสั่งเป็นใจความว่าเพราะบ้านเมืองถูกปกครองโดยประชาชผู้ไม่มีธรรมความเดือดร้อนและสามระสายก็เกิดขึ้นทึกหยอบจ้าภัยอันตรายต่างๆได้เกิดขึ้นแก่ประชาชนจุหนึ่งผลคว้าไม่ตกต้องตามระดูการสองความยากไร้สามโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้ได้เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการไม่ประพฤติธรรมของประชาช แต่เว น, นี้ประราชาผู้ไม่ประพฤติธรรมนั้นได้ตายไปแล้วให้พวกเธอทั้งหลายทราบว่าพระราชานี้เป็นประราชาที่เท่าส ก, กประฐานให้ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีให้ความร่วมมือสนับสนุนพระราชาแล้วพวกเธอก็จะอยู่อย่างเป็นสุขจะได้เท่าส ก, กะก็อันตรฐานไปให้ก่อนที่จะอันตรธานก็สั่งให้ ทั้งสองคนน่ยตอนนี้เป็นสององค์แล้วเกรนางสุชาดาก็เป็นมเหสีพระโพธิสัตว์ก็เป็นพระราชาปกครองเมืองนั้นพระพราชาถูกตัดหัวไปแล้วแล้วขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมพระโพธิสัตว์ก็รับครับำ้าสากะก็เสด็จกลับไปพระโพธิสัตว์เป็นพระราชาผู้ปฏิบัติธรรมดำรงมั่นอยู่ในทุตสปิราชธรรมสืบต่อกันมา อนาประชาราศดรก็ไม่เดือดร้อนเพราะพระราชาหรือภัยที่เกี่ยวเนื่องมาจากพระราชาบ้างเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขแล้วเมื่อที่วงคตไปแล้วก็เป็นปลายตามผลแห่งกรรมคือมันเกิดในสุกติและในที่สุดก็ทรงสรุปชาดกโดยก็มีคนเกี่ยวข้องอยู่ส3สามสี่คนนั้นนนเองว่าพระราชาในครั้งนั้นระาชาผู้ไม่ประพฤติธรรมในครั้งนั้น ก็มาเกิดเป็นพระเทวทัตในครั้งนี้ท้าวสกะเทวราชก็มาเกิดเป็นพระอนันพระอนุรุตในครั้งนี้นางสุชาดาก็มาเกิดเป็นราหุนมารดาส่วนพระโพธิสัตว์นั้นก็คือพระองค์เองแล้วข้อความในชาดกนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะนึกถึงเรื่องเรื่องที่เคยพูดมานานแล้วเรื่องหนึ่งมันลักษณะคล้ายๆกัน คือเรื่องของพระเจ้าปัตเสณที่โกศลที่ไปเห็นพันยาของชาวบ้านในขณะเรียบพระนครเหมือนกันแต่ก็มองไปจากช้างก็เห็นผู้หญิงคนนี้ทางหน้าต่างระวางแผนจะจะข่าผัวเขาเสียเอาเมียเขามานะสรุปไง่ายก็ด้วยวิธีการต่างๆจนในที่สุดจนออกมาในรูปของต่างคนต่างหนีเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะพร ะ, พระเจ้า เษสษิกุศลเกิดได้ยินเสียงสัตว์นรกที่เรียกวาตุสานาโนสมลักษณะอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ในที่นี้ก็คือเรื่องของความมีธรรมะหรือความไม่มีธรรมะในตอนแรกพระโพธิสัตว์ก็อุบัติตามผลแห่งกุศลกรรมที่ท่านได้กระทำเอาไว้ก็บังเกิดในสกุลที่ดี แล ะ, ะผลของความดีนั้นก็ได้พัญญาที่ดีคือนางสุชาดาลักษณะของพัญญาที่ดีนั้นในคำพีพระพุทธศาสนาดูเหมือนจะลงตัวทุกที่คือแสดงที่ไหนก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าแสดงเฉพาะในสิงหาละไรกระสุนแสดงเยอะหมดแต่ก็จะทรงแสดงไว้ห้าขอ้อในปัจจุบันนี้มีคนบางคนก็พูดว่ามันน้อยไปมันต้องเพิ่มมากกว่านั้น แต่มาเองมองเห็นมาไม่น้อยอ่ะล้วก็เท่านั้นแต่มันจะกระจายตัวมันเองโดยมีจุดเริ่มต้นในจุดใดจุดหนึ่งจัดการงานดีงานที่เป็นภารกิจของตนก็จัดการดีสแสดงว่ามีความรับผิดชอบแล้วมันก็เกี่ยวเนื่องกับงานทั้งหมดทั้งภายในบ้านทั้งภายนอกบ้าน สงเคราะห์คนขั่งเคียงก้องผัวดีนั้นหมายถึงว่าความมีน้ำใจต่อบุคคลทั้งหลายแล้วก็กระจายตัวเองเออกไปได้เรื่อยๆไม่ประพฤตินอกใจสามีรักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้แล้วขยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งหลายคือแสดงว่าขยันด้วยความฉลาดข้อหนึ่งนั่นเน้นที่ตัวฉลาด แตถ่ถ้าฉลาดอย่างเดียวไม่ขยันก็เปรียบคนอื่นคือฉลาดในการใช้คนอื่นพระเจ้า ก, ก็เน้นไว้ทั้งสองหรือข้อหนึ่งจะให้ฉลาดในการจัดงานจัดการงานเป็นทํางานเป็นตามหน้าที่พอข้อสุดท้ายก็คุมไว้ด้วยความขยันนั้นวิชาดานั้นเป็นพัญญาประเภทที่ตงึงจาแนกไว้7ประเภทก็คงจะเป็นสี่ประเภทหลัง คือเป็นมันดาเป็นพัญญาที่เสมอด้วยมันดาเสมอโดยพี่สาวน้องสาวเสมอโดยเพื่อนหรือเสมอด้วยทาสีที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดก่อนพุทธกาลนะไม่ใช่ในสมัยพุทธกาลแต่ความสํานึกถึงศีลธรรมอย่างที่เคยกล่าบมาว่ายัางกุรุธรรมหรือว่าศีลห้านั้น เป็นธรรมะที่มีประจำโลกอยู่แล้วในยุคใดสมัยใดโลกเกิ ด, กดขาดแคลนธรรมะห้าข้อนี้มันก็เดือดร้อนยุคใดสมัยใดที่ธรรมะเหล่านี้กลับมาได้โลกก็อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขเพราะนางสุชาดาจึงประพฤติปฏิบัติในศีลก็คือศีลห้านั่นเองแต่ศีลห้าในสมัยก่อนกับศีลห้าในพระพุทธศาสนานั้นชื่อมันก็เหมือนกันจริงง แต่ว่าในการอาธาิบายการเพิ่มความละเมียดละไมขึ้นมานั้นพระเจ้าก็ทรงปฏิรูปปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นจนมีผลในการพัฒนาจิตใจจริงๆคือเข้าถึงใจจริงๆ จ, ง, จงเราถือว่าเป็นศีลห้าที่ปรับปรุงปรับปรุงแล้วไม่ใช่เป็นศีลห้าในสมัยก่อนแต่อานุภาพของศีลที่บุคคลรักษาดีเนี่ย ก็ทรงแสดงไว้เป็นอันมากเช่นว่าศีลังบลังอัปติมังคือศีลเป็นกําลังที่ไม่มีที่เปรียบศีลังอาวุธมุตตมังศีลเป็นอาวุธอย่างยอดเยี่ยมคือสามารถเอาชนะความชั่วที่ปกติเป็นนายใจแต่พระศีลกั้นเอาไว้มันก็คุมกายคุมใาจาไม่ได้อย่างน้อยก็อย่างมากที่สุดขึ้นมาแค่ใจ ตราดใดที่ศีลยังมีอยู่ก็ไม่ถึงกับร่วงละเมิดบทบัญญัติต่างๆและที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นอาวุธที่จะเอาชนะคนอื่นได้เพราะความมีศีลของตนสามารถยุติปัญหาเรื่องเลวร้ายต่างๆได้ศีลังอาภาระนังเสร็จถังศีลเป็นอภรณ์เป็นเครื่องประดับอย่างยอดเยี่ยมซึ่งถ้านั้งหลายจะเห็นว่าบรรดาเครื่องประดับทั้งหลายในโลก มันก็วุ่นวายว่าสักวรหรือกำหนดทิศทางอะไรที่แน่นอนไม่ได้่คนแต่งนึกว่าตัวเองสวยแล้วแต่คนรดูบอกเอ๊ะมันยังไงยังไงอยู่แล้วปัญหาว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวบางทีมันก็ความงามเนยถูกจำกัดโดยการละสั้นสั้นอย่างที่ท่านแสดงความงามสี่ชั้นเอาไว้แต่ชั้นแรกก็คืองามในเครื่องประดับประดาตกแต่ง มันก็ตีซว่าสีห้าชั่วโมงก็ไปไม่รอดเมื่อวานนี่นั่งอ่านซื้อพิมพ์ก็มองไปทางหน้าต่างมีโยมคุ้นๆกันน่ะอายุก็สักหกสิบป่าแล้วบอกก็เสียนแต่เดินก็ลืมแต่งตัวไงเดินสองกระจกพออ้อมมุมวิหารพระศรีสา <c oughs> ด้าเกือบชนออกอีกคนอนึไงเยอันนี้นนนก็เวีกรรมจริงๆเฮ้ยไปยุ่งอะไรมาหนักหนาก็ไม่รู้ว่าดีไม่โดนดชนก็อีกทีนึง จ, จนเลยหมดสวยไปใหญ่เลยนี่แสดงว่าก็ต้องแต่งกันเรื่อยๆนะขนาดนั่งรถเมล์มาถึงวัดแล้วก็ต้องแต่งใหม่อีกทีหนึ่งมันก็สวยอยู่ได้ไม่เท่าไหร่ชั้นต่อไปก็เป็นการสวยงามในด้านสวดทรงลักษณะร่างกายที่ก็กําหนดกันตอนแรกแต่ใครจะกําหนดอีกละ่ะก็หาข้อยุติไม่ได้ลักษณะที่เรียกว่าลังเนื้อชอบลงอังยา ความงามชั้นที่สามก็เป็นความงามจริงเพราะนนางสุชาดารูปก็จะงามเป็นยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่างามตรงนี้ก็งามจริงคืองามที่ศีลด้ยกิริยามันยาาด้วยความเป็นผู้ดีที่สัมเดงออกมาเป็นที่ชื่นชมพอใจของบุคคลทั้งหลายแต่แสดงว่ารูปก็งามยะละด้วยแหละไม่งั้นพระราชาองค์นี้คงไม่วุ่นวายขนาดนั้นแต่งามจริงๆก็คืองามที่คุณธรรมความดีเห็นว่ามีขันติมีสรุรจะมีเมตามีกรุณาเป็นต้น แล้วทีนี้เมื่อต่างควายต่างดีต่อกันก็มีความเอื้อเฟือ้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อกันเมื่อบัญญาต้องการไปสามีก็ยินดีที่จะนําไปก็กลายเป็นเพื่อนคู่ทุกคู่ยากไปก็หลักการปฏิบัติก็คงเหมือนเดิมนะฮะก็ดูก็เรียกว่าผู้ชายก็ต้องทํางานหนักหน่อยผู้หญิงก็อยู่ในในเกวียน แต่ว่าแต่เพราะความอยากรู้อยากเห็นอาจจะถึงคราวที่จะเป็นอะไรก็ตามทำให้นางต้องออกไปพระราชาองค์นี้เป็นการเป็นเป็นการสะท้อนถึงความรู้สึกคนที่แรงกลักดันของกิเลสคือมันออกมาเป็นรู ป, ปรธรรมถ้าเราเข้าใจธรรมะที่มันเป็นรู ป, ปรธรรมแล้วเนี่ยมันจะได้ประโยชน์มากในการตัดสินปัญหาต่างๆ หรือในการยึดถือเป็นแบบเป็นแผลอธิบายโทสะมันรู้ไม่ได้ก็เหมือนกับ <im itation> เหมือนกับอะไรก็พระเทศกันในสมัยโบราณก็ไม่โบราณนักนะพระเทศกันแถวภาคกลางเมื่อก่อนมันเทศเอาชนะกันหรือพยายามที่จะเอาชนะไม่ได้เทศเอาธโมธมะอะไรายโยมก็ถือหางทั้งๆ ท, ที่พระไม่มีหางก็จับหางถือกันแล้วในที่สุดมันก็ถึงตอนหนึ่งในองค์หนึ่งก็ถามว่า ท่านได้ความโกรธมันเป็นยังไงความโกรธในรูปร่างเป็นยังไงมันอธิบายตั้งอธิบายตามลักษณะของอภิธรรมนะลักษณะของความโกรธมีความประทุษรายมีความเล่าร้อนอะไรอะไรก็อธิบายเรืร่อยแหละมีวัตถุเป็นอาคาแต่วัตถุเป็นเหตุการเกิดอธิบายเรืร่อยองนี้มันไม่เห็นนะไม่เข้าใจถามไปถามมาองนั้นชักยโยกขึ้นมาพอดีองค์ที่ถานนะหัวล้านนะหัวลา น, นกินหมากปากแดงเคียวจับ ก็บอกว่าความโกรธเนี่หัวมันล้านๆเนี่ยเอานล้านปากแดงแดงเคี้ยวหมากจับจับจแล้วก็่างก็ทำเปล่าวนี้โกรธโกรกันหน้าบึ้งตึงึ้นมาแล้วก็บอกญาติโยวมวนนี้ยมโยมดูนี่หน้าความโกรธองรูปร่างเป็นอย่างนั้นคือคือมันอธิบายไม่ได้ทีนี้ถ้าต้องการใชชี้รูปธรรมมันก็ต้องชี้กันอย่างนั้นเนี่ยชี้กันอย่างนั้นก็ เหมือนกับอะไรจำที่เคยเล่าออฟังกันในนิกายเซนในลูกศิษฐ์ถามเรื่องความโกรธอาจารย์นะ่ะนิกายเซนเขาต้อใช้วิธีเนะี่กรตีหัวทีเนะี่ก็ผลักออกนอกประตูยืนตากฝนฝนหายแล้วก็เปิดได้เข้ามาเป็นไงถามรู้จักความโกรธได้ยังรู้แล้วนะรู้แล้วว่าอาจารย์ตีหัวก็โกรธจังแล้วนะครับปล่อยตาขนอยู่ด้วยแล้วก็โกรธใหญ่เลยมันอธิบายไม่ได้แต่ที่จริงมันก็ออกมาเป็นรูปธรรมแล้วในเวลาชาตรงน์นี้เราจะเห็นว่าราคะในความกำนัดนี่จัดเกินไป ขณะทำราชกิจอยู่นะกำลังเรียบพระนครมันน่าจะเรียบพระนครแล้วไปยุ่งกับเมียชาวบ้านครับถ้าท่านหยุดได้มันไม่แรงเกินแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ว่าแสดงว่าราคะมันเกิดจัดจนถึงก็ไปสืบสาวว่าเขามีปัญญาไอ้มรรจามีสามีได้ยังพอรู้ว่ามีสามีมันน่าจะหยุดนะถ้าไม่จัดเกินไปมันน่าจะหยุดแล้ว แต่ไม่หยุดไม่หยุดมังก็เกิดเป็นเป็นโทสะโทสะนี้เป็นอะไรล่ะฮะสำนวนจีนที่ว่าคนไม่ผิดผิดเพราะมียกติดตัวนะคือ เ, เรียกว่าความโกรธเกิดเพราะความรักเป็นความโกรธที่เกิดขึ้นเพราะความรักในแนวอาคาตวะวัตถุวถัตถุ9ประการนะฮะมันสเลเปปะหน้าดูอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงความโกรธมันเกิดเพราะความรักตรงนี้มัน ค, ความโกรธ แต่มันเกิดเพราะความรักคือหมายความว่าพระราชาไปชอบพอพัญญาเขาแต่โกรธโกรธสามีว่ามันมันมันเป็นก้างขวางคอกนะ็ขอค อ, อแก่บางก็ต้องวางแผนวางแผนแบบเดียวกับพระเจ้าประเสนติโกศลวางนะฮะเราจะเห็นว่าวางแผนแนวเดียวกันแต่ว่าไปจะทำอะไรตรงๆมันก็ไปเจอไปเจอก็เลยต้องต้องวางแผนหาเรื่องจะฆ่าพระเจ้าประเสนติโกศลท่านท่านวางแผนออกจะ แล้เมียดละไม่ปะลุงกวนนะแต่นี้แผนแบบตํารวจตารวจพานพานนะฮะเวลาจับของจาบเฮโรอีนจัเฮโรอีนก็หาเฮโรอีนไม่ได้เอาเฮโรอีนใส่กระเป๋าไปแล้วไปใส่ในบ้านเก่าแล้วเข้าคนเะน่ยมันก็แนวพันพานนะจะเห็นว่าประชานี้หยาบมากเลยแผนก็ไม่คมเท่าไหร่แผนไม่คมเท่าไหร่ก็ปินท่านปักอยู่ที่หัวนะฮะที่จริงก็คนก็เห็นอยู่ว่าปินท่านปักหัวแล้วมันหล่นไปติดอยู่ในเกลียวได้ไงห่างกับริบโลกอะ เดียวคนมันไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ตื้นสติปัญญาท่านตื่นเพราะอะไรเพราะลักษณะของกิเลสเวลามันเกิดเนี่ยสติปัญญามันจะหายสติปัญญามันจาท่านไม่ได้คิดคงทายอะไรนะฮะจริงก็จับได้ขานังกับเขาเนกะวียนมันห่างจากไอ้ช้างที่นั่งตงั้งเยอะแล้วปีนนั้นอยู่บนหัวท่านนี่นมันหล่นไปได้อยู่ใต้เกวียนยังไงอยู่ในเกลียนไปซอกอยู่ในเกวียนเขาด้วยแล้วเหตุผลแล้วมันมีความเป็นไปไม่ได้แต่เพราะว่าตอนนั้นก็ได้ราคะก็จัดนะฮะโทสะก็จัด แล้วต้องต้องการให้ได้านางสุชาดามาเร็วๆท่านเลยไม่คอยคมคายลึกซึ้งอะไรเท่าไรมันก็สมควรแก่กรรมแล้วนันที่ถูกตัดหัวความคิดในแนวนี้เรามองเรามองถึงตัวกระตุ้นอื่นๆนะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าจากในกรณีของธรรมะพระเจ้าพิมพิสารท่านไปเห็นพระโพธิสัตว์เดินผ่านกุฏิเออไม่ใช่เดินผ่านผ่านวังนนั่นแะ เกิดเดือบใสในอิริยาบถตามเลยสังคนตามเลยนั้นตามอีเรื่องตามเลยธรรมะธรรมะก็ดึงเหมือนกันนะธรรมะก็ดึงคนไปเหมือนกันไปตามไปเหมือ น, นกันเหมือนกับภาษาดีบุตรเห็นพระอาทิตยสวยงามกิริยาละเมียดละไมตามเลยหลวงพ่อองค์นี้อยู่ที่ไหนรูปร่างส ว, สวยงามกิริยามันยอดเรียบร้อยเหลือเกินน่าประทับใจเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งสองฝ่ายเนะี่ยที่จริงมันก็ดึงให้ตามด้วยกันแต่ว่าตามไปสติปัญญาผิดกันเยอะเลย ติปัญญาความแจมแจ้งประจักษ์แก่ใจของท่านนั้นแตกต่างกันมากท่านจึงภาษารีบุตรท่านก็มีเหตุผลในแง่ของธรรมะแต่ท่านก็ตามนะฮะราชานี้ท่านก็มีเหตุผลในด้านราคะในด้านโลภะในด้านโทสะของท่านท่านก็ใช้เหตุผลของท่านในแนวที่ออกจะรุนแรงและรุนแรงขึ้นมาโดยลําดับเราจะเห็นว่า อะไรล่ะคือกรรมแต่มันเกิดขึ้นจากการกระทำไอลักษณะคติความคิดเห็นของคนบางคนเนี่ยมันหักเขให้ชุมชนเปลี่ยนไปได้าทางที่ว่าคนจํานวนมากมันน่าจะมีคนพิทักษธรรมอยู่สักคนหนึ่งนะฮะไออะไรว่าคนขับเกวียนเดินผ่านไปเฉเฉยแล้วมันถูกจับมาลากมาตีนี่ ม, นมันก็อายุทีรทำเกินไปแหละไม่มีใครไม่มีบัณฑิตไอลักษณะทางสังคมเช่นนี้เราจะเห็นว่าแม้ในปัจจุบันนะฮะคือถึงยามที่สัตว์โลกต้องการจะ ถ้านอมตัวเอาตัวรอดศัตรูจะไม่คิดถึงคนอื่นนะแต่จะคิดจะถนอมตัวเองรักษาตัวเองเอาไว้บัณฑิตถ้าไม่เก่งจริงต้องทิ้งทำบัณฑิตที่ไม่ทิ้งทำแสดงว่าเป็นบัณฑิตได้จริงจรงจากในกรณีเนี่ยบ้านเมืองเราเราก็เห็นตัวอย่างเยอะแยะบางทีคนถูกจิงกระเป๋าแล้วก็วิ่งหนีไม่มีใครกล้าช่วย นานที่จะมีคนกล้าช่วยสักครั้งหนึ่งกาเสี่ยงตัวเองก็ไปเพราะอะไรเพราะว่าในลักษณะความวิกฤตของอารมณ์ที่มันก่อให้เกิดวิกฤตของเหตุการณ์คนจะนึกถึงตัวประชาชนท่านเกิดวิกฤตทางอารมณ์ขึ้นมาสร้างวิกฤตเหตุการณ์ขึ้นทีนี้คนในอยู่ในแวดวงนั้นก็มองเห็นเพราะถ้าเราไปจะไปเกี่ยวข้องไปคัดค้านไปอะไรต่ออะไก็ตามตัวเองก็จะถูก ไปความวิกฤตทางอารมณ์ของพระราชาทําอันตรายเอาด้วยก็เลยไปกันใดญตามไปเรื่อยแล้วกลายเป็นหุนไปเลยกลายเป็นหุนที่พร้อมจะกระทำบาปสนองในความต้องการของพระราชาไปได้พลาศาสตความรุนแรงของกิเลสจึงมันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มที่จุดใดอย่างอางในกรณีของอการโต้อตอบที่เคยล่าฟังกันก่อนเนี่ยว่า เวลาก็ติเตียนพระรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าไม่ให้โกรธแต่ไม่ใช่ไม่ให้โต้ตอบคืออย่ากโกรธเพราะถ้าโกรธล้วสติปัญญาเหตุผลที่เราจะชี้แจงเราจะจางไปเราจะมีเหตุผลในการหักล้างอย่างที่ทรงสแสดงในพระมชาฌานสูตรทรงสแสดงเป็นเป็นสองตอนสามตอนนะครับถามตอนว่าตอนแรกเมื่อเขาด่าว่าติเตียนก็อยากโกรธตอนที่สองนั้น ถ้าเขาติเตียนในลักษณะบิดเบือนแล้วไม่ตรงต่อความเป็นจริงนั้นอย่าให้ชี้แจงแล้วก็รับสังถามมาถ้าเธอโกโรธเนี่ยเธอจะมีเหตุผลในการอธิบายได้ไหมวิกษตรบอกไม่ได้เพราะงั้นพระพุทธเจ้าบอกถ้า ง, งั้นอย่ากโกโรธแต่ชี้แจงชี้แจงด้วยจิตใจที่ปกติแล้วในกรณีที่เขากล่าวยกย่องสรรเสริญก็ยอมรับตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงนะเกินไปก็ไม่รับหรอกเจ่นเชนเช่นเขาบอกเรา ก็บอกเราเป็นพระธรรมดาว่าท่านเป็นพระอาดานเะนีเราไม่รับหรอกมันเกินไปนะก็รับเฉพาะที่เป็นจริงจริงเท่าเท่าไรเราก็รับเท่านั้นไม่ได้ไปหวังกําไรจากไอ้ความศรัทธาความประทับใจหรือว่าหน้ามา้าทั้งหลายที่แต่งตั้งให้นะฮะถึงถึงเวลานี้ไอ้ระบบนี้ก็มีเยอะเลยนะพระอริยะทั้งหลายวันก่อนเราเปิดเอาเอา เอาลายชื่อพระอราริยะมาเปิดก็กำกับดีกันแม่โยมนี่เก่งไงเดี๋ยวนี้คนไทยนี่เก่งนะตั้งพระเป็นพระอาหารหันต์กันเยอะเลยสําคัญนะฮะัยพระพุทธเจ้านี่ไม่มีนะพระอาหารหันต์แต่งตั้งนะมีแต่พระอาหารหันต์ที่ปฏิบัติได้ก็บรรลุเอาเองแล้วท่านรู้ได้ยากของท่านเองไม่มีใครรู้ท่านนอกจากพระอาหารหันต์ด้วยกันกับพระพุทธเจ้าอวลานี้เราก็แต่งตั้งใครต่อใครไม่รู้ดูก็บุนๆ น, นะองค์นั้นก็สงา่าเหลือเกินเนี่ยไม่ยอมรับสถานะเหล่านั้นได้ขี้กลากน่าจะขึ้นหัว ลักษณะของกิเลส ท, ที่มันจุดแรงขึ้นมาในจุดใดนะตรงนี้จะสังเ็นว่าเริ่มที่ราคาแล้วก็ต่อเป็นโทสะมันต่อเนื่องนะกิเลสมันต่อเนื่องมาจากอวิชชาเพราะฉะนั้นเมื่อขยับมันขยับหมดเลยขยับที่ตัวใดตัวหนึ่งตัวอื่นก็ขยับตามไปคล้ายๆกับเครื่องยนต์กลไกลที่มีความเกี่ยวเนื่องกันนะฮะพอตัวหนึ่งเดินมันก็เดินกันไปเป็นแถวไปเลยหรืออย่างยกตัวอย่างมาเหมือนกับ ก, กระแสน้ําไหลที่ว่า ถ้าข้างบนมันขุนมันก็ขุนตามกันมาเป็นแถวเลยกิเลสก็เหมือนกันกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดกิเลสอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดมันจะเกิดที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นะเมื่อมันเกิดแล้วมันไปกระพือโขมไอไ อ, ไอจุดที่เกิดก่อนให้มากยิ่งขึ้นดังนั้นเราดูภาพการอะไรเชีย ม, มวยก็ได้เชีย ม, มวยก็ได้หรือว่าดูคนทะเลาะกันก็ได้นะดูคนทะเลาะกันก็ได้หรือดูอะไร ยังน้ำพึ่งหยดเดียวก็ได้หรือดูคนดูมวยก็ได้นะมายังยังนึกนึกอยู่ในภาพอะเนี่ยที่จริงในขณะที่คนอื่นก็ไปดูมวยต่อเยเราไม่น่าดูคนเชียนะคนเชียนีย่ที่จริงมีอารมณ์มากกว่าคือว่าเป็นธรรมชาติมากกว่าคนต่อยคนต่อยนั้นมันเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่จะต้องจะต้องใช้ความรู้ความสามารถตรงนั้นไม่ได้แสดงอารมณ์อะไรท่าไรนะฮะการแสดงอารมณ์เพื่อผมก็นอกเอา แต่ว่าคนที่เชียนนั้นแสดงอารมณ์เต็มที่เพราะงั้นน่าสร้างภาพยนตร์ไว้แล้ให้ดูเป็นเป็นการแสดงเต็มที่เลยนะฮะยันว่าญาติพี่น้องตายอะไรนะอย่างวันก่อนอะไรที่เขาเอาภาพที่จะนะประกวดตอนที่ตำรวจทหารก็ไปรือสลัมอะไรอ่ะริมทีรมรม่ริมคลองมันแสดงอารมณ์เลยเกิดเด็กก็กรี๊ดกรีดแต่ทหารก็แกก็ไม่รู้ทํำยังไงแกนะะก็สั่งไปแกก็แสดงอารมณ์เต็มที่เลย นันก็เป็นภาพที่ออกมาจากธรรมชาติมันก็สะท้อนถึงจิตสํานึกภายในเอเด็กแกก็ขับแค้นไอทาหารแกก็คงขับแค้นเหมือนกันแหละแกก็เข้าใจนะฮะแต่ทีนี้มันมันไม่รู้จะทํำยังไงอะต่างคนต่างไม่รู้จะทํำยังไงมันก็สดแดงออกมาแดงอารมณ์เป็นภาพที่ถ่ายทอดออกมาจริงว่าไม่ใช่โกรธแต่มีลักษณะขับแค้นทหารเองกแกแกก็ับแค้นเห็นแววตานี่ยับแค้นไม่ใช่แววโกรธ เด็กเองก็ขับแค้นร้องไห้กรี๊ดใส่กันดังกระบึง้งตึงก็หาใส่แต่ไม่ใช่บึง้งตึงด้วยความโกรธป็นลักษณะของความขับแค้นออะไรละ่ะคือมันมันมันหาทางออกไม่ได้ดันั้นเด็กกหาทางออกไม่ได้เด็กกหาทางออกไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยมาระบายเป็นภาพที่ถ่ายทอดอารมณ์เดังนั้น นางก็ต้องอ้างเอาศีลการอ้างเอาศีลนี่ถ้าเรามีศีลจริงๆเราอ้างได้จริงนะแต่ปัญหาบางทีมันอ้างเกินไปอ่ะขอศีลเกินไปรับศีลเสร็จไปขอหวยอย่างนี้มันไม่ไหวมันเสียศีลอ่ะมันเป็นโลภะมันเป็นอทินาศีอทินามันบกพร่องนะฮะมันจะเห็นว่าศีลก็อธินามันบกพร่องไปนะไปอยากไปอยากได้หวยเนี่ยแสดงให้เห็นตังโลภะแต่มันขึ้นสูงเกินไปเพราะงั้นศีลที่นําไปอ้างจึงเป็นศีลที่ไม่บริสุทธิ์ ไอ้ปรานุภาพของศีลมันก็นจาดทีนี้การอ้างอนุภาพของศีลเนี่ยออท่านก็ประรบนะประรบแบบนี้อย่างแบงคคล้ายๆกับ น, นางกัจจานีนางกัจจานีนี่ท่านชายแนวเดียวท่านไปชาปนากิจธรรมะในป่าเลยคือคือคื อ, คอลูกท่านเนี่ยลูกท่านแล้วพอมีเมียแล้วมันอักตันยูรังแกแม่สรารพัดจนว่าขับแม่ออกจากบ้าน นัานไปที่ป่าชาจุดไฟจุดไ ฟ, ดไฟเตรียมชาปนากิจธรรมะธรรมะตายแล้วอ๋อธรรมะตายแต่แล้วตอนนั้นชาปนากิจจะเลยทีนี้ก็อันเนี้ยกเทวาอารักษ์ทั้งหลายที่รักษาศาสนาท่าน ร, รักษาโลกอภิบาลโลกอยู่ท่านก็ต้องลงมาเป็นเจ้ากิจการหน่อยนะฮะกาคทำกล่าวของนางสุชาดาเราจะเห็นว่าเป็นการกล่าวในลักษณะทวงถาม ทวงถามทั้งความมีอยู่ของสิ่งเหล่านี้ที่เรามีการอบรมมีการสั่งสอนกันมาว่ามันมีจริงก็เปล่าถ้ามีจริงแล้วโดหัวไปไหนหมดนะนะแต่การปฏิบัติธรรมที่บอกว่านำความสุขมาให้แต่เวลนี้คนปฏิบัติธรรมบางถูกรังแกเนี่ยธรรมะหายไปไหนธรรมะจึงไม่มาช่วยคนแล้ประการที่สองก็คือว่า ปัญญาไอ้สมณพราหมณ์ทั้งหลายที่สั่งสอนในเรื่องเหล่านี้หรือทําไมไม่ใช่อานุภาพของตนคุ้มครองป้องกันนะฮะการที่สามก็คือเทวอารักษ์ทั้งหลายถือว่าเป็นคนมีศีลมีธรรมพิทักษ์ความยุติธรรมอภิบาลโลกรักษาโลกหายหัวไปไหนหมดเไอ้ตอนนี้ธรรมนั้นคงมาช่วยอะไรไม่ได้นะฮะธรรมก็เป็นนามธรรมเท่านั้นเองแล้วก็ ในกระบวนการข้องกรรมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันก็จองล้างจองผ่านกันมาก็จับคู่จองล้างจองผ่านกันมาดังนั้นท้าวสก่าเทวราชเนี่ยปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาที่น่าคิดว่าทําไมตอนเราท้าวสก่าเทวราชจึงไม่มาช่วยมัางมันบุญมันไม่ถึงอ่ะคือถ้าเราลองสังเกตแล้วเนี่ยว่าบุญเราไม่ถึงขนาดนั้นน่ะเพราะท้าวสก่าเทวราชมาช่วยคนดีถึงขีดช่วยคนดีถึงขีดปัญหาว่า คนเราบางทีมันก็ถึงขีดแต่ก็ท่าก็ไม่ต้องการให้ท้าสกัะมาช่วยอะไรแล้วเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆก็ไม่วิกฤตอะไรมากพอในการนี้นี้ ท, าาาท้าสกะท่านก็เห็นว่ามันก็วิกฤตอะถ้าหากว่าทอดทิ้งคนหนึ่งก็เป็นพระโพธิสัตว์นะคนหนึ่งก็ ก, ก, ก็คือพ ร, รางพิมพาในโอกาสต่อมาในพวกบารมีสูงทั้งนั้นท้าสกัก็แย่และ ก็เลยก็ต้องมาช่วยช่วยก็แรงไปหน่อยนะไปใช้วิธีแรงไปหน่อยแต่ว่าเป็นเทวสิทธิ์เป็นเทวสิทธิ์เขาก็เขาก็ทำกันไปตามสมควรแก่กรรมแต่เราจะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งที่มันยุติ้ดยศีลด้วยศีล ด, ย, ดยองศีลข้อที่หนึ่งอันนี้มันเป็นเป็นมันที่จริงมันก็ปนกันนะทั้งทั้งทั้งทั้งปาณาธินากาเมครบทุต่ะ ถึงแม้จะไม่เต็มที่ทั้งหมดแต่ก็เต็มที่อยู่ข้องแล้วคืออาทินาอาทินานี่เอาซัพย์ไปซ่อนอย่างนี้ถือว่าเป็นอาทินานะฮะเอาซัพย์ไปซ่อนเพื่อเพื่อจะใส่ร้ายหรือเพื่อนจะสับเปลี่ยนเพื่ออะไรต่ออะไรรักของหนีภาษีอะไรเนี่เป็นพวกอาทินน า, างนั่นแหละมังั้นเราจะพบว่าในเมืองไทยนี่โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปต่างประเทศบ่อยๆสีอาทินนารักษากันไม่ค่อยได้ละเอาของหนีภาษีมันแย่เลยก็ ศีลก็ไม่ควรจะละเมียดละไม่ได้ที่ควรนะสรุปว่าศีล น, นะศีลมันก็เกิดมาอะไรมุสาก็เกิดแล้วนะฮะมุสาก็เกิดแล้วใช้คําหยาบแล้วโกหกแล้วนะใส่ร้ายคนอื่นก็แล้วผิดหมดเลยสี่ข้อจะเมาล่าบด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแต่สรุปไปสี่ข้อนี้ผิดหมดนะโทษมันแรงผิดศีลทีเดียวสี่ข้อเลยเพราะงั้นไอ้ตัววัตถุคือคนคนที่เราเบียดเบียนเนี่ยใหญ่มากเป็นคนที่มีคุณแล้วไม่ประทุษร้าย อย่างที่บอกว่าคนที่ไม่ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ใช่คนประทุษร้ายต่อผู้ซึ่งไม่ประทุษร้ายไม่มีแม้แต่ความคิดจะประทุษร้ายเนี่ยย่อมประสบความพิบัติอย่างแรงแล้วเร็วด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะเป็นประสบทุกเวทนาอย่างแสนสาหัสประสบการพลาดพราดการสูญเสียมีอันตรายแก่ร่างกายถูกยาปิดไฟไหม้บ้านหรือสารพัดอ่ะอย่างที่เคยบอกให้าฟังเมืก่อนสิเพราะนั้นในกรณีนี้เราก็เห็นได้ชัดเลยว่าวัตถุนั้นใหญ่ วัตถุมีคุณสูงคือคนที่ประราชานี้ไปเบียดเบียนมีคุณสูงมากนางโซชาดาเองก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมดีพระโพธิสัตว์นั้นไม่ต้องพูดท่านเนะคือก็เป็นผู้ทรงคุณธรรมอยู่แล้วเพราะงั้นไปประทุษร้ายผู้ประพฤติธรรมทีเดียวตั้งสองคนเนี่ยแรงมากแล้วก็ศีลก็ผิดหมดด้วยตั้งสีข้อเลยเจตนาเจตนาประกอบต้องด้วยราคะต้งด้วยโลภะต้งด้วยโทสะ ดังด้วยดิศยาจังเลยประกอบด้วยกิเลส จ, จังเลยไม่รู้กี่ตัวเลยใจแย่มากแรงมากความพยายามสูงจังไม่ได้เลยเลขเอาด้วยคนไม่ได้ระมลก็ด้วยคาถากันเลยไม่เล่นลูกตรงๆอ้ อ, อมๆเอาสมบัติของตัวไปยัดเยียดให้แล้วในที่สุดก็หาเรื่องว่าทับวิธีนี้วิธีเยอะนะแปลกนะคือคนเลวนี่มีแบบแผนเหมือนๆกันตั้งแต่สมัยไหนกันมา พวกลูกน้องไทยไม่ต้องถามพระเจ้ามันสร้างมาทําไมไหมพวกนี้ยแสบทุ ก, ท ก, ทกยุคทุกสมัยเลยคือวิธีเราเนี่ยเราจะเพราะว่าในชาดกมีเยอะแล้วก็วิธีนี้ก็ท้ำๆอ่ะทำกันทำ ๆ, ๆต้องการจะใส่ร้ายคนอื่นต้องหาทุกวิธีทางอเพื่อนกูยืมเงินไปเพิ่มเ ต, มติมเลขศูนย์ก็ บ, บ้างไม่เป็นไรพี่เซ็นชื่อไว้ก่อนปรเดี๋ยวผมกรอกให้ยังไม่ไหวมา <laughs> กรอกให้ตัวเลขบานเบิกเลยไปออกไปเลยเนี่ยคนก็ ประสบความเดือดร้อนพระขนานแต่ในขณะเดียวกันนั้นทำรรมากกว่พิบาลคนดีความพยายามสูงมากนะฮะเราจะเห็นว่าความพยายามซิกแซกอย่างเงี้ยแสดงถึงว่าจิตใจนี้ถูกแรงดันของกิเลสประคองอยู่ตลอดระยะเวลาเลยเพราะถ้ากิเลสมันหยุดความรุนแรงนี้จะต้องหยุดจะต้องหยุดพฤติกรรมเหล่านั้นเช่นว่าไปถามดูซิมีลูกมีมีอะไรยังเพื่อนบอกว่ามีสามีแล้วแล้ว มันหยุดหมดเลยพฤติกรรมเพราะว่า ก, กิเลสราคามันลดโทสะมันก็ไม่เกิดตามแต่แกไม่ยอมหยุดเลยเนี่ยแกลามปามใหญ่เลยลองดูลองดูพฤติกรรมมันเดินหน้าไปเป็นแถวแล้วแรงของกิเลสสูงขึ้นทุกจุดมาในถึงจุดหนึ่งมันก็มีลักษณะใดคื อ, ค, อคือการแข่งดีต้องเอาให้ได้ต้องเอาชนะให้ได้พระโพธิสัตว์เลยไม่รู้อินโออินเนแต่อย่าลืมวาไอ้จิตสันดานนะฮะที่ฝังไว้ ด้วยความอาฆาตแค้นในความอาฆาตแค้นมันเป็นผลที่สืบเนื่องติดภพติดชาต์มารอยตอนสุดท้ายทรงสรุปว่าคนนี้คือระเทปทัตดังนั้นพอเห็นถึงมันมันมันมันอันนี้มันฟูขึ้นมาแล้วนะกิเลสที่มันมันเก็บสะสมคือเวรที่จองไว้สมัยนะเป็นพ่อค้าขายลูกปัดอะได้เคยเล่าแล้ยอย่างมารนกับชาติกัน ชาติแรกนะชาติแรกที่เขาเริ่มก่อเวรกันมาเนี่ย็ชาติเรื่องนิดเดียวนะเรื่องนิดเดียวเรื่องลูกปัดขายลูกปัดกั น, นเท่านั้นเองขายลูกปัดกันแล้วก็ลามปามกันมาเรื่อยเทวทัตกอบทรายขึ้นมาที่ฐานจองล่างจองผานพระโพธิสัตว์เท่ามันมาเล็กสายนะแต่ว่าในชาดกจริงๆเราลองสำรวจ ด, ดูแล้วก็พบว่ามันมีเพียงห้าสิบแปดชาติแสดงว่าที่ไม่ได้ดำมาเล่ามาเยอะ พฤติกรรมท่านซ้าๆพระเทวทัตพฤติกรรมท่านซ้ำ ๆ, ำๆเบียดเบียนาลางผลันอยูดอย่างนี้แหละตกลงว่าพระอินทก็บันดาลให้ออกมาในอย่างนั้นนะฮะอันนี้มันก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับไอ้นายพลานคนหนึ่งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนายพลานนี้ก็ถือว่า ถ้าออกไปล่าสัตว์ถ้าเจอพระแล้วเนี่ยมันมันอัปมงคลอะคือหาสัตว์ไม่ได้เลยวันนั้นพระก็ไม่รู้ยังไงรนะเวนกรรมงไงไม่รู้ทีนี้วันหนึ่งแกไปออกไปล่าสัตว์ไปเจอพระออกนึน่ก็โกรธว่าวันนี้เราหาสัตว์ไม่ได้แล้วโกรธก็ไล่แทงพระพระท่านก็วิ่งหนีขึ้นต้นไม้ วนีขึ้นต้นไม้ที่นี่วินัยตอนนั้นนะฮะวินัยตอนนั้นว่าถ้าวิ่งหนีขึ้นต้นไม้เนี่ยไม่ต้องชั่วคนนะฮะคือว่าไม่เกินชั่วคนถ้าเกินชั่วคนปรับอวบัติกล้าเลยไม่กล้าขึ้นไม่กล้าขึ้นกลัวอบัต์ข้างบนขึ้นไปอีกเก้าเดียวก็ติดอบัต์เลยเลยตั้งอันนี้อันนี้ก็แทงแทงขึ้นไปข้างบนกรถ้าก็ยกเท้าแทงเท้าขวาทั้งยกเท้ายกเท้ายกเท้าสลับอย่างเงี้ยยกไปยกมาไอไอไอไมือของท่านเนี่หนไปมาจิ้บอนั่งก็กลมมาอยู่จี้บอลหลุด จิวันหลุดมันหลุดลงมาถึงมันก็คลุมร่างไอเนี่ยคลุมร่างนายพรานน่ะแล้วนายพรานก็มีหมาอยู่3ามสี่ตัวไล่ให้กัดพะด้วยเห่าเบึ้งเบึงเบึงเบึงพอคลุมไปหมาบางคนนึกว่าพระหล่นนะพระหล่นก็ฟัดแหลกเลยฟัดแหลกเลยกัดจนตายเรียบร้อยกินเนื้อกินในพอเอาเป็นนายเลยวิ่งหนีเลยพระก็ลงมาได้นี่เราจะเห็นว่าแรงมากนะพระเดินมิตรบาดเฉยเรื่องอะไรไปไล่แทงนั่นเอนงแล้วก็ไม่มาทุศร้ายเมียงปีแต่ขอร้องแม่ทำํำตอนนั้นเอง มจีวอหลดมาครอบนั้นก็ทันทีทันใดกันขณะนั้นเพราะงั้นอันนี้มันก็คือกันพระโพธิสัตว์ท่านไม่ได้คิดร้ายอะไรแล้วก็มาทําท้ายท่านมนุษย์ไม่ช่วยเทวดาก็ต้องช่วยนะแต่มนุษย์ช่วยกันด้วยมนุษย์เองก็แล้วไปถ้าทําอย่างนั้นก็เทวดาก็ต้องช่วยวิธีนี้มันก็พอๆกันอันนี้กรรมบรรดาโนนท้าสกัดบรรดานะไอ้นนท้าสกัดบันดาเราสลับได้เลย เอานักโทษขึ้นไปไว้บนคอช้างเอาพระราช า, ามาไว้เอามาไวท้ที่ที่ตะแลงแกงกำลังจะตัดพอดีก็ตัดเลยพอตัดไอตอนตัดพระจักรพรรเองก็เห็นเป็นพระราชานะ ไ, ไม่ใช่เห็นเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์นี่ก็เทวะเทวริตรเกิด <c oughs> เทวดาบันดานให้เห็นไปแต่พอพอตัดปั๊บมันก็กลายกลายเป็นนั้นทีนี้ก็มีข้อที่น่าคิดอย่างหนึ่งว่าเป็นความเชื่อถือที่มีอยู่มากในชาดกเนี่ย ไว้ความไม่ประดิษต่างๆในบ้านเมืองนี้เกี่ยวเนื่องกับผู้บริหารเกี่ยวเนื่องกับผู้บริหารว่าถ้าผู้บริหารอยู่ในศีลในธรรมแล้วเนี่ยฝนฟ้าจะตกต้องตามระดูการและความเชื่อถือเหล่านี้รู้สึกว่าในสังคมไทยเรามีสูงสมัยโบราณเนี่ยจะต้องมีสูงมากจะต้องมีพิธีอะไรตไระลายขอฝนพืชชมงคนอะไรตไระลายเนี่ยตามพิธีเยอะแยะไปหมดเลยพระราชาจะต้องเป็นเจ้าพิธีเหล่านั้นถ้าเกิดเป็นอันตรายขึ้นมา ดังนั้นทิทาส ก, ก่าท่านกล่าวว่าบ้านเมืองใดที่พระราชาพระราชาในความหมายหมายถึงว่าผู้บริหารนะผู้บริหารดนั้นเองแล้วเราก็มาติดคำว่าพระราชากันมาติดคาว่าพระราชากันอยู่โดยไม่ไม่นึกว่าก็ไม่ได้หมายถึงไม่จช่แผ่นดินเสมอไปใครก็ตามที่อยู่ในตำแหน่งบริหารนะตาแหน่งบริหารเพราะว่าเราดูสมัยก่อนบางทีมันก็ไม่ใหญ่นะ ไม่ใหญ่อย่างอะไรละปราชาบางองนะฮะขุนสามชนเจ้าเมืองช็อตอะไรก็ดูก็ไม่เคยใหญ่อะไรนะเ <_ S 1> มืองแกนี่ใกล้ๆๆอําเภอนึงแล้วมั้งก็งไม่ได้ใหญ่แต่สรุปว่าเป็นผู้รับผิด ช, ชอบในการบริหารในบ้านเมืองเหล่านั้นเราก็ถือว่าเป็นปลาชาเรียกปราชาใ น, ในการบริหารบ้านเมืองก็มีส่วนในการบรรดาลให้เกิดเป็นความดีงามหรือว่ามันเกิดเป็นความเสื่อมเสียแล้วก็มีผลกระทบนะฮะ มีผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งด้านบวกและด้านลบในที่นี้ถ้าทั์แสดงว่าประชาที่เป็นอาธรรมหรือไม่ระพฤตธรรมหรือผู้บริหารที่ไม่ประพฤตธรรมเนี่ยย่ำนำความพิบัติเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่อาชาติบ้านเมืองในถามเรื่องข่้งแรกก็คือเรื่องของธรรมชาติคือความวิปลาดแปรปรวนก็ธรรมชาติฝนฟ้าไม่ตกต้องตามรดู ก, การเกิด อะไรนะข้าวยากหมากแพงไอหมากแพงจ้างหัวมันแหละนะ่ะข้าวยางแพงก้วกันก็จะเกิดเดือดร้อนกันคือสรุปว่าข้าวของเงินทองมันก็ไป เ, เดือดอร้อนในมีมีปัญหาทางเศรษ ฐ, ฐกิจซึจ่งเราจะเพราะว่าที่จริงมันก็มีส่วนแหละมีส่วนในการบริหารนั้นถ้าว่าคนบริหารมีความฉลาดก็จัดการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้มันก็คงจะคงจะไม่มีปัญหามากเกินไปแลยประการต่อไปก็คือ อะไระคือเกิดไอ้พวกอะไรอัจฉรกรรมต่างๆการเบียดเบียกนการมาทุสร้ายกันนะฮะซึ่งก็แน่นอนเหลือเกินว่ามันมีปัญหาเหล่านี้ก็เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องถ้ามีปัญหาข้าวยากหมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลอัจฉรกรรมมันก็เกิดอยังคอยดูปากใต้ปีนี้นะฮะปีเนี้ยข่าวว่าข้าวหมดเป็นเป็นอำเภอเบอร์เลยทํานาไม่ได้ดังนั้นทานาไม่ได้ปีหน้ามันก็น่าดูแหละ ก็เป็นเรื่องที่เรารู้กันว่าเป็นผลที่ต่อเนื่องกันแต่ว่าเกิดมีปัญหาเรื่องการทำนาแล้วรุ่งปีขึ้นเนี่ยอาจฉริกรรมจะมากอาจฉริกรรมจะมากแล้วบางทีเป็นอาจฉริกรรมก็เป็นอาชีพนะฮะ <Okay. S 1> มีการปล้นกันฆ่ากันก็กตรุดก็ยังงั้นแหละโรคแล้วก็ก็คือรรคภัยค่าเจ็บที่จริงมันต่อเนื่องกันอย่างปัญหาสังคมที่เราพูดในปัจจุบัน คือมาเองมองมองเห็นต้นตอมันอยู่อันเดียวแต่เขาอาจจะแยกเป็น4ี่อย่างนะฮะนักวิชาการท่านเก่งท่านชอบนับข้อหลายๆลาข้อเราไม่เคยชอบนับคือมองตัวต้นเหตุจริงๆเราประชากรไทยเราเวลาเนี้ยคือความยากไร้ความยากไร้ความไม่รู้โรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ลูกมากเกินไปนะปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเราปัจจุบันตามตัวเลขของ ราชการบอกว่าคนไทยที่อดอดนะอดยากขิวโหอยอดยากขิวโหอยอยู่เนี่ยมันมีถึงสิบเอ็ดล้านแต่ว่าที่ไปพบตัวเลขข้างนอกเขาบอกว่าไม่ใช่อ่ะมันฝ่านะประมาณสิบสามล้านนะประมาณสิบสามล้านเรามีประชากรอยู่ห้าสิบล้านขิวโหยทุกทรมานอยู่สิบามล้านเนี่ยมันจะเล่นนะงั้นในคนที่ทํางานภาษีภาษีแกรัฐบาลได้มีกี่คนไม่รู้เขาบอกสิบกว่าล้าน น, นั้นเอง เสียภาษีตรงนะเสียภาษีอ้อมมันก็เสียกันทุกคนนะเ่ยเมื่อมีปัญหาทางเศรษฐกิจมันก็มีปัญหาในด้านสุขภาพมันธรรมดาเลยเกนะินแต่ว่าตัวการจริงๆมาว่ามันอยู่ที่ตัวไม่รู้อะคือเราไม่รณรงค์ให้รู้ถ้ารู้ถ้าเข้าใจแล้วเราก็ปรับเวลานี้ถึงแม้จะรู้บางทีก็แก้ปัญหาไม่ได้ คนกระดาษจบเป็นยาตรีค่ะตัวตายเพราะหางานทำไม่ได้เียแสดงว่าเราก็ไม่ได้สอนความรู้ในการแก้ปัญหาให้เกิดความเข้าใจก็ยังยึดถือในรูปแบบขางค้านิยมต่างๆอยู่อันตรายเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นเพราะในในกรณีของของโรคภัยไข้เจ็บที่จริงมันก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากอะไรก็ตามนะฮะแต่ว่าตัวการใหญ่คือจากความไม่รู้แหละแต่แม้แต่ว่ามัน ลักษณะของคนนี่มีประการหนึ่งคือทําทําตัวคล้ายๆกันน้ํานะคือยู่าปรับตัวอยู่ได้เรื่อยๆนะฮะลงไปในทะเลก็อยู่ได้ในคลองในแอ่งเล็กๆก็อยู่ได้ลอดไปทางช่องหินนิดๆก็ไปได้มันมันคือมันไปได้หมดเลยนั่นคือลักษณะของมนุษย์ที่ปรับตัวให้อยู่ได้นะครับสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮไปอยู่กลางทุ่งเราไปอยังอยากกินน้ําแข็งยังอีกหรือไม่ไหวละมันกิกนน้ํากลางทุ่งแหละกินมันให้ได้ อยู่ในป่าก็ต้องใช้ชีวิตในป่าให้ได้ก็เรียกปรับตัวอยู่ได้ทั้งหมด ท, ทั้งนั้นทางนี้ก็ต้องอาศัยความรู้ถ้ า, าว่าขาดความรู้ปัญห า, าความยากไร้ก็ดีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็ดีหรือแม้ปัญหาเรื่องลูกมากเกินไปก็ดีนั้นก็คงจะคงจะต้องมีปัญหากันอยู่ด้วยไปก็ยังอะไรละเอธิโอเปียเอธิโอเปียซูดานนะฮะเราจะพบว่าพวกนี้ พวกสายแขกคือสายแอฟริกาสายแขกแม้นมีความเจียวมีลูกมากเลยดีแต่มาเคยไปคุยกับพวกสูตรที่ตอนไปอยู่อินเดียนะไปคุยกับเขาทำไมมีลูกมากกันเกินหน่อแกบอกว่าลูกมากแล้วพระเจ้าชอบพระเจ้าโปรดมีลูกมากเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแล้วบอกจะเลี้ยงกัยังไงก็บอกไม่กลัวพระเจ้าทางเลี้ยงเองเน้อเกิดมาให้พระเจ้าเลี้ยงเนี่ยฮะพระเจ้าไปนอนหลับอยู่ที่ไหนกี่พันปีแล้วเป็นโผล่หัวมาเลยลูกหลานก็เดือดร้อนกันเป็นแถวเลย อันนี้คือความเชื่อในแนวนี้แล้วก็ถือว่าถ้าลูกมากแล้วดีคือจะได้มาช่วยกันทํางานมีเงินมีทองออกมาแต่ม่เนึกว่ามันกินมากๆด้วยนะแก็ทําลายป่ากันมากมอย่างนี้เอทิโอเปียมันจะเป็นทะเลไปแล้วเป็นทะเลทรายตอนนี้วิ่งกันโปเลงโปเลงก็เหมือนก็ขึ้นมาจากนารกน่าสงสารนเกินเป็นภาพที่สลดตัวถูใจนั่นก็คือเกิดมาที่จริงปัญหานี้ก็เป็นบทเรียนที่ให้เรากลับมากลับม า, บมาพิจารณาตัวเราได้นะฮะว่า การที่เราไปตัดไม้ทำลายป่าแล้วตอนนี้ ช, ช่วงชัดเจวานกันเรื่อย น, นี่ก็ ช, ช่วงชัดเจวานนี่ครับปรากฏว่าอพบแร่อะไรมันไม่ชัดเจวานกันบ่อยๆก็ไม่ดีนะก็มีอะไรขุดๆกันมาหมดไปเดียวลูกหลานเกิดขึ้นมาไม่รู้จะมีอะไรกิน่ะบ้านเมืองไม่ได้อยู่เฉพาะวันร้องวันมันอยู่อย่างอีกนานอะไรๆก็เก็บเก็บไปบ้างไว้ให้ลูกหลานก็ขุดขึ้นมาใช้บ้างเราใช้เฉพาะยุคสมัยเราก็ใหญ่มันผู้ฝ้ามากไปส่งไปขายเพื่อนหมดแล้วผลสุดท้ายตัวเองก็อดลูกหลานก็อดตามไปไ นี่ก็ต้องอาศัยความรู้อีกหละเอ่อทีนี้เรามาดูถึงตอนสรุปว่าพระราชาเองนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยเรจะบอกว่า ม, ม, มันก็ขึ้นไปลุนลุนยางไงือ <c oughs> <c oughs> เป็นคนต่างเมืองนะเป็นคนต่างเมืองมาด้วยมาเดินผ่านเมืองก็เฉยเยแล้ววันดีคืนดีก็ได้กลับให้เป็นพระราชาเพราะอะไรเพราะว่า คือเอาค่าจริงเนี่ยมันถือก็ถือนะถือก็ถือแต่แต่ถ้าเรามองจริงๆว่าอย่างในอินเดียี่เขาถือวันณะกันมากในเชิงปฏิบัติก็ไม่่อยถือมากอะไรเท่าไหร่นะเพราะถ้าคนนั้นดีคลกล้ๆอเมริกาก็แล้วกันดูได้ง่ายนะอเมริกาเนี่ยอเมริการังเกียดผิวมากแต่เคยสังเกตอเมริกาเนี่ยต้มฮัมหม็ดอาลีก็ดี <c ười> คือถ้านักกีฬาเนี่ยนักกีฬานักดนตรีเนี่ย เราจะเห็นว่าไออเมริกันนิโครนี่มันจะเด่นมากเลยแล้วก็กลายเป็นเป็นวีรชนของเขาแล้วก็พี่เลี้ยงก็เป็นพวกผิวขาวอะไปเท่อาบน้ําเช็ดตัวให้โอ้พวกผิวขาวก็ไม่รังเกียจจริงนะว่าจริงถ้ามีผลประโยชน์ให้ตรงนี้ในสูตรเหล่านี้เ อ, อมันก็ลงในสูตรของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงว่าวันนใดก็ตามนะฮะที่เป็นผู้มั่งคั่ง ร, ร่ารวยคือมีสามารถที่จะให้ผลประโยชน์แก่บุคคลอื่นได้เนี่ย วันนั้นเดียวกันในวันนะั้นอื่นก็จะเข้าเป็นพวกเป็นลูกน้องรับใช้ใกล้ชิดวันนั้นมันไม่ต่างอะไรกันหรอกว่าปัญหาว่าใครจะยกสถานะตัวเองขึ้นไม่สูงได้หรือไม่แต่ยกขึ้นมาได้คนอื่นก็ยอมรับเท่านั้นเองพระโพธิสัตว์ในที่นี้ท่านก็ยอมรับในแง่ของคุณธรรมแล้วเข้าใจเห็นใจด้วยแหละนะก็ยกย่องขึ้นมาเป็นพระราชาแล้วเมื่อท่านอยู่แล้วท่านก็ประพฤติปฏิบัติ เป็นพระราชาที่ดีคนก็ไม่ได้ติดใจนะฮะเมื่อก่อนเป็นยังไงคล้ายๆกับนางพระนางมารีกาเทวีพระนางมารีกาเทวีลูกนายอุทยานบ้านอ่ะไม่เอสสีพระเจ้าปเสนีกนุศลไม่ได้มีเชื้อราชวงศ์อะไรย็นนิดๆเลยนะฮะไม่เป็นหม่อมราชวงศ์หม่อมอะไรทั้งนิดนะะึ่งขึ้นพรวดเดียวขึ้นพรวดเดียวจากจากไอ้ลูกสาวไอ้นอุทยานนะ เป็นมาเหสีแล้วเป็นที่รักของประชาชนประชาชนยอมรับหมดเลยเขาไม่ได้คิดว่าพระราชนีของเขาเมื่อก่อนเป็นใครแต่ว่าท่านเป็นยังไงเขาคิดแต่ว่าท่านเป็นยังไงท่านเองเขาก็รักยื่นชมเขาท่านนี่คือลักษณะจริงๆในสังคมนะฮะว่าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ไปติดใจอะไรเท่าไหร่เรื่องชาติกาเนิดถ้าคนนั้นเป็นคนดีขอให้เป็นคนดีแล้วก็เพื่อนก็ลืมชาติกาเนิด ตถานะที่ไปดีเรีกันก็ตัดมองดูท่านต่อสู้ชีวิตมาเยอะนะฮะเลยล้างชงล้างชามอะไรอะไรมาในทีจริงเรียนยุเรียนยรยนยู้ชีวิตเยอะจังไลยคนนี้เรียก ว, ว่าชํานาญทุกภาคสนามเลยกันในที่สุดก็กลายเป็นคนที่ทุกคนขอยกย่กองพระราชาเอกพระโพธิสัตว์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันประการต่อไปก็คือการสรุปฉาดเป็นเรื่องที่น่าสังเกตยอย่างหนึ่งว่าพระอนุรุตเนี่ยท่านเกิดเป็นท้าศกะบ่อยเหลือเกิน เกิดทาสกัดท่าพระนุรุตเป็นท่าสกัดเองแล้วรู้สึกว่าช่วยพระโพธิสัตว์เฉียบขาดมากเลแต่ว่ากลับชาติมาเป็นคนอื่นดูไม่ค่อยเฉียบขาดท่ถ้าพระนรุตเป็นดูจะเฉียบขาดเลยช่วยอะไรแต่ตอนเป็นพระเวสสันดรก็ท่าสกะดสมัยนั้นก็คือพ ร, นรนะนรุตนะฮะนรุตก็ดูเวลาช่วยได้เรียกถึงลูกถึงคนแล้วออกจะเฉียบขาดรวดเร็วมีรัก ลักษณะเด่นของท่านนะฮะพระนรุธท่า น, ท, านท่านก็มีลักษณะเด่นอย่างนั้นก็ฝังจิตสันดานของท่านมาคือเป็นคนเร็วมากตัดสินใจรเร็วทําอะไรเร็วมองปัญหาต่างๆเร็วแล้วก็มีความลึกซึ้งคงคายในตัวท่านเน่ยแม้เป็นเกิดมาเป็นพระนรุธตอนเป็นราชกุมารก็เหมือนกันนะฮะสรุปชาดกในคราวนั้นก็ปราชาก็คือพระเทวทัตนะฮะราชาที่ถูกฆ่าไป สมควรเกจกรรมแต่เราก็ต้องมองสังเกตอย่างหนึ่งนะในการศึกษาธรรมะเราไม่ได้มองว่าเราอยู่ฝ่ายพร ะ, พระเอกนะคือไ ม, ไม่ได้ไปเชียร์พระพุทธเจ้าแต่ว่าพระเทวทัตนั้นท่านคงจะร้ายกันเฉพาะพระพุทธเจ้าต่นนั้นเองที่แรงนะฮะแล้วก็นี่ก็สะเลเปราะทะเลเปราะไปออกมาข้างนอกนิดหน่อยแต่ถ้าที่พบแล้วก็จะมุ่งตรง เ, เฉพาะพระพุทธเจ้าเฉพาะพระโพธิสัต ดังนั้นอันนี้นางสุชาดาเองท่านก็บอกว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์เนี่เดือดร้อนพระนางเดือดร้อนพระนางเป็นเหตุนะแต่ว่าไอ้ความรู้สึกหมันไส้เพราะเพราะอะไรเพราะใจมันผูกพยาบาทกันมาค่ะเราะข้ามชาติก็คงจะมีนะแต่อย่าลืมว่าพระเทว ท, ทัตเขาเกิดในดีๆนะเกิดกำเนิ ด, นดสูงๆบางชาติอย่างชาตินี้ก็เกิดกําเนิดสูงกว่าพระโพธิสัตว์นะ นี่ก็แสดงว่าบุญท่านคงทำมาเยอะนะฮะถ้าไม่งั้นท่านก็คงจะไม่ไม่ไม่ ไ, ม ไ, มได้มาใกล้เคียงเกิดในราชสกุลเหมือนกันหรอกแต่ที่น่าดีใจอย่างหนึ่งพระเทวทัตท่านไม่เป็นมิจฉาทิฏฐินะฮะตลอดชีวิตท่านไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่แต่มันก็ตีรวนไปงั้นอ่ะคือคือมันแค้นอาฆาตพยาบาทต้องการแข่งดีอะไรนักษนั้นความคิดยังไม่เคยเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะงั้นโอกาสที่จะแก้ไขกลับกลายนั้นจึงทําได้ง่าย พระเอนางสุชาดาก็มาเกิดเป็นพระนางพิมพาพระพุทธเจ้าใช้คำแปลกนะครับเรียกว่าราหุลมาตาจะไม่เรียกพิมพาจะไม่เรียกเอรอะไรพัทธากัจจานาจะไม่เรียกอย่างนั้นจะใช้คำว่าราหุลมาตาใช้คําว่าแม่ของราหุลเขาก็แทนที่จะเรียกจะเรียกชื่อตรงๆไม่ได้เรียกก็แสดงให้เห็นว่าคนเหล่านี้ก็เป็นไป ตามกรรมที่แต่ละคนได้กระทาเอาไว้และที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าเรามองในแนวหลักที่ทรงแสดงว่าการเกิดร่วมกันของคนเนี่ยมันก็อาศัย ส, สัทธาศีลจาระปัญญานะฮะที่ต้องใช้กับมสมาคือสม่ําเสมอกันและใกลเคียงกันแต่ท่านทั้งสนี้คือที่จริงก็ทั้งสี่ก็ได้นะทั้ง4ี่ก็ได้พระเทวทัตต้องก็มีในตอนตอนอื่นในชาติอื่นของท่านนะ่ะแล้ว ตอนนี้ถึงถึงแม้จะอะไรก็ตามคือยังยังไม่ลงเป็นกรรมที่เต็มรูปนะฮะแต่กาเมตุมิจฉาจาร์ก็ไม่ถึงเป็นกาเ ม, มาาตุมิจฉาจาร์ในมุสาวาทนะ่ะเป็นแล้วนะฮะปาณนาติบาทยังไม่เต็มองค์ยังไม่ไเต็มองเอ่อก็ที่เต็มองจริงๆศีลมันก็ผิดเฉพาะมุสาวาตเออดังนั้นส่วนของความดีก็คือส่วนของความดีกระทาให้ท่านเหล่านี้เนีเกิดมาในยุคเดียวกันทั้งหมดเลย ก็มีที่ไม่บรรลุอรหัตก็ก็ฟอร์มเดิมนะฟอร์มเดิมคือพระเทวทัตท่านก็ท่านก็เปอย่างงั้นท่านก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลพระไอนางนางสุชาดาก็มาเป็นพระนางพิมพาหรือพัฒากัจจานาที่เคยเล่าพิจารณาท่าฟังในวันก่อนแล้วก็บรรลุอรหัตเป็นพระหันที่ทรงระดับมหาพิญญานะเป็นมหาพิญญาหนึ่งในสามของภิกษุณีคือพระ เขมาพระบุญรนาและพระพัฒกาจานาพวกนี้เป็นพวกมหาปัญญาพระก็มีสมเหมือนกันนะฮะพระก็มีสามกเทั้งพระพุทธเจ้ามหาปัญญาเนี่ยมหาปัญญาหมายความอาปิญญาชั้นยอดเลยคือทำได้โดยอันตโนมัติแต่ก็จะไปเทียบกับพระุทธเจ้าไม่ได้นะคืออาปัญญามหาปัญญาปิญญาหกนะอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้พิสจา น, นรณาโมยิทิก็ถอดใจได้นะี ที่ประโสนิก็หูชิปที่สามารถฟังเสียงได้ทันทีเลยกำหนดจะรู้รู้ได้ทันทีมันเร็วฮะมีความตอนนี้ชำนานคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็รวดเร็วเพราะว่าบารมีสร้างมาสูงท่านท่านทั้งหกเนี่ยข่ายพระก็มีภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะพระหมหาโกติตะพวกมหาอภิญญาก็พิจตุณีาสามพิจตุ3สก็เจทั้งพระพุทธเจ้าแต่หมายความอภิญญามีทุกองนะ พิญญาพาหาันประเภทวิชาสามและจะมีพิญญาหมดทุกองค์แต่ว่าระดับมหาพิญญาก็มีท่านี้นี้เป็นคุณสมบัติไม่ได้เกี่ยวกับกิเลสกิเลสนั้นหมดด้วยกันแล้วคุณสมบัติมีความหลากหลายมีความแตกต่างกันท่านี้ก็ขึ้นไปกับขึ้นอยู่กับวาสนาบา ร, รมีของท่านในอดีตนะเป็นตัวกําหนดอย่างหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ท่านบําเพ็ญเพียรในปัจจุบันอีกประการหนึ่งวันนี้ก็อาจจะสรุปได้ว่ากระจบลงในธรรมะมากชนะอาธรรม อาจจะเจ็บปวดรวดร้าวไปก่อนแต่ว่าในที่สุดก็จะสบายจะเป็นสูตรในการสร้างชีวิตนะคนเราจะรับความสุขต้องเอาทุกมาลงทุนถ้ามายอมทุกเลยต้องการสุขเลยก็จบพอดีคือไปไหนไม่รอดเราขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงกอก ง, งามไปบุญในธรรมจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเถิด